กราีปานาที่เมตตามาเป็นแรงเชียร์เป็นบทเพลงลูกทุ่งธรรมะเตือนใจขับกล่อมไวในถนนดนตรี บทเพลงแห่งรอดประทับขอสายทานแห่งความเมตตาที่ศรัทธารวมสร้างปัญญาสุขลังก็ไม่อาจร้องเพลงชี้หลักนำเพียงรอ ลำนำบนเส้นทางโกมลงกราบผู้มีศรัทธาที่กรุณาปฏิบัติธรรมไม่สา สุขลำก็ไม่อาจร้องเพลงชี้หลักนำเพียงร้อยคำลำนำบนเส้นทางขอก้มลงกราบผู้มีศรัทธาที่กรุณาปฏิบัติธรรม ได้รู้ดีนําดีติดตัวไม่หา่างบนเส้นทาง